ท่ทนานพูดว่าคำว่าโลกก็คือมูสัตสัตตะแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผูกข้องยังติดยังข้องพายพาข้องเพียงธ้มรมนั้นขอสราบกันแล้วท่านปา น, นาวัตั้งหลายพบหลายภูมเพื่อนแน่ตั้งแต่ภูมิ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 จะเป็นคนไม่ไม่สําคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายเท่านสิ่งที่จริงเราไม่ให้เป็นตามความจริงของเขาเนี่ยเราไปลบล้างเสียหมดมันไม่มีอะไรเหลือทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นก็มีอยู่เพราะคุณถ้าสะท้อนกรรมมหาตัวเองะขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล ง, งนี่เป็นการดีมากวาสนาเรามีถึงได้มา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 ลบความจริงที่มัน ร, ร, รู้อย่างนี้ลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมฮะ ใ, ใครจะไปลบก็รู้อยู่ก็ก็ เ, เรียนเพื่อความจริงกินยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้ยังไงนี่ลหละความเบยสุดที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้ยังไงจริงใครจะมาตั้งอยู่เหมือนหม้อหายายผ่าแล้วนี้มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หม้อ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 คือทราบซึ่งเต็มไปด้วยเหตุโดยผลด้วยความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตำหนิจีเกียนพระธรรมที่จะไว้ชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าจีเกียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก่น่าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักฐานส่วนขาธรรมอยู่ตลอดเวลา